ถ้าธรรมสรกว่าพูดเยอยๆ<ม>ธรรมที่พูดคนที่พูดก็จำไม่ได้ก็พูดอะไรเพราะธรรมะต่านเหนมือนธรรมะติดสางมาจากตำณา ม, มีอะไรผ่า น, น้าก็พูดไปแค่นั้น ปฏิบัติคือฟังเพื่อความสงบสงัดของจิตที่นีจใจยังมาอยู่เฉพาะหน้าเพราะธรรมะที่เราปูดไปนั้นถ้าในผูดออกเหนือไปจากตัวของเราือพุดอยู่ในขอบข่าย <c oughs> ของตายจิต มันได้พูดออกไปเกลเเผิดเครนข้างนอกครูออจานกิรัยธรรมมาสอนโลกท่านก็พิจารณากายจิตของธ่รมเราจะได้เรียนสำหรับตำลามมาจากที่ไหนเพราะชีเลตเกิดขึ้นจากใจมัดผลก็เกิดขึ้นจากใจเะนั้นจึงศึกษาอยู่ ในต่างแบบตำลาใหญ่คือตายและใจของตัวเท่านั้นตำลาอืน่นก็ชี่เข้ามาหาตายหาใจที่ เ, เขียนเอาไว้จะเป็นมัดแปดสัามมาทิสิรีสัามมาสังโฆสัมมาวจจสัมมาสัมปันโตสัมมาชิวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาทิสัามมาสตามมาิ พิจิข้ามาสังกับโตกคหมายถึงปัญญาปัญญาก็คือเกิดจากดวงใจไม่ใช่เกิดจากที่ อ, อื่นถ้าใจโง่ใจไม่มีปัญญาใจรายจามันก็พูดไปอย่างงงงเกล่ยเสีย <c oughs> สมารายจามสมาสัมมันเตสมาคิวกขคือสีน กินก็คือการรักษากายวายใจกายวายจมันอยู่ที่ไหนมันอยู่กับตัวของเราเหมือนกหรือหรือมันอยู่ตามตัางหลักกำลังของฟ้าอากาศเราเปิดขึ้นจิตามาจเจรณาสมาภายในสัมมาวายโมสมาสติสัมมาสมาธิตหมายถึงสมาธิคือจิตตั้งมั่น นี่ก็หมายถึงใจอีกเหมือนกันฉะนั้นสำหรับตำราที่เขียนออกไปยืดยาวสองเมื่อสี่พันพรรมาขันก็เป็นอกเหนือไปจับกายใจข้องบวกเราท่านการที่ารณากายใจจะทิจเรนาอย่างไรจึงจะทำให้จิตใจสงบสุกนั้นมันเป็นปัญหาสำหรับ พวกเราท่านแต่คนที่เคยต่อเพื่อปฏิบัติมาก็ไม่ยากไม่ลาบากไม่เป็นปัญหาอะไรเหมือนกันกับเราเคยทํางานมาแล้วงานนั้นเคยพาจะทํากว่าทําได้เช่นเขียนหนังสือบวกลบคุ้นหารหนึ่เลกเหมือนกันพอเราเคยมาแล้วคนที่ไม่เคยแต่ดูตัวมันก็นไม่ออกมันจริง ลำบากยากยุ่งอย่างใาจิตมันก็มีอยู่ทุกขันหน้าทุกผูกคนแต่ ท, ท, ท, ที่ว่า <c oughs> จะรักษากายจิตทองคนอย่างไรจึงจะเป็นไปถึงความชอบความสุขความสบายนะั้นมันเป็นปัญหาสำหรับค น, นที่ไม้เคยศึกษาในเคยปฏิบัติมา ขอความยุ่งเกิดขึ้นความปึงเกิดขึ้นความวิตกกังวลเกิดัญญที่จะละจะถอนจะแก้จากไข่ทั้งๆ ท, ที่เกิดขึ้นจากใจของตัวแต่นี้มีปัญญาที่จะปัดเป่าจิงเหล่านั้นให้จกหายไปได้เมื่อจิงเหล่านั้นมาก่อควาจิตก็ยุ่งเบื่อร้อนวุ่นวาย แห้งความสุขสงบสบายในดับงฉะนั้นการปฏิบัติอาจทมที่พระพุทธเจ้าสอนคือสอนให้ปฏิบัติกายจิตของสูวทิงที่ขั่วที่เสียต่งตางๆที่เราทำเราพูดนั้นเราต้องคำนึงคำนวณที่นี้ที่จเจรนาว่าเขาทำต่อเราเขาพูดต่อเราเราชอบใจ พอใจไหมมีความสุขความสบายไหมเนี่ยเขาทำขั่วทําเสียกวดขั่วปุ ด, ปดเสียต่อเราถ้าเรามาทีนี้พิจารณาอย่างนี้การที่จะไปทําไปพูดกับคนอื่นเขาอย่างเสียอย่างเสียเขาก็มีความไม่พอใจไม่เต็มใจเหมือนกันกับเราสิเดีรับฟังจากเขา ขี่เขาทําต่อเราเราต้องคานึงคานวณที่นีพิี่เจนาอย่างนี้เมื่อพิ่เจนาได้อย่างนี้สิ่งที่ชั่วที่เสียต่างๆถึงเป็นทางศีลเราควรจะต้องรักษาเพราะเราไม่พอใจสิ่งใดไม่ชอบใจสิ่งใดเราไปทํากับเขาเขาก็เหมือนกันกับเราเขาจะไม่พอใจเขาจะยินดี เห็นว่าการทําการพูดภายนอกนี้มันเป็นคิดเป็นใจสําหรับคนอื่นสัตอื่นเราควรต้องรักษาไม่เหตุยวายใจของเราไปทําไปพูดนี่คือการรักษาศีลการรักษาศีลก็คือรักษาใจรักษาวายใจไม่ใช่ศีลก็อยู่ตามสํา ห, หรับําราอยู่ถงฟ้าอาสะอยู่วัดอยู่ว่ดอยู่ป่าอยู่เขา ศีลอยู่กับตัวของเราทุกท่านทุกคนจึงควรรู้ว่าศีลก็คือตัวของเรานี้เองเป็นตัวของศีลถ้าเรารักษาตัวของเราศีลจะมากขนาดไหนแต่ไม่ไปทําไปพูดสิ่งที่เสื่อมี่เสียรักษาตัวโดยสติสิ่งที่เจรนาโดยสัญญาว่าสิ่งนั้นมันชั่วมันเสีย มันเป็นคิดเป็นไจเสียกายแก่ใจของคนอื่นเราก็รักษัง่ายถ้าเราไม่ชอบสิ่งที่เสว่ที่เสียทำไมจะเอามาประดับประดาใส่วาจาของตัวของเน่าของเหม็นของไม่เป็นประโยชน์ทำไมเราถึงหามาประดับประดาเมื่ยเอาของเน่าของเหม็นของไม่เป็นประโยชน์มาประดับประดาอย่างนั้น คนทั่วไปที่เขามีจิตใจเป็นอาจเป็นธรรมเขาจะแ้งละเสไม่เข้าจะยิงพาเราก็ทราบดีว่าสิ่งที่เที่ยวที่เสียนั้นคนดีทั่วไปเขาไม่แทงกระแสเราจะต้องรักษ า, า, ากายวาจาของเราในช่ววในเสีย เดี๋อำนาจความผักดันภายในคือใจสี่งเง้านใจสี่ไม่รู้เท่าจริงสั่งๆตามเป็นจริงพูดไปเถียงเขาเกลียดใจด่าเขาว่าเขาทําไปเดี๋ยวความอิจฉาเบียดเบียนจากบุคคลมันไม่ดีตัวของเราที่เจรณาแล้วสา เขามาทำกับเราอย่างนั้นเราคงพอใจเหมือนกันแต่นั่นท่านผูใ้ใจเจ้าถึงว่าเป็นโทษที่ในรักษาในที่กจน า, าให้แม่นอนเห็นรักษาในยอดหากเราเห็นเรื่องความเสียวความเสียเป็นของไม่ดีแล้วเรารักษาแน่เพราะของเสียวของเสียเราไม่ต้องการในสาธารณะ เหมือ น, นกันกับเร า, าเรู้จักออกไฟมันร้อนเรารักษาง่ายพอเห็นเข่าก็หลีบไปไม่จับไม่แกะต้องไม่เหยียบมันก็ไม่นแฉะเผาให้เราร้อนเราเจ็บถีนกับํานองเดียวกันถีนเป็นข้อสำคัญทางศาส น, ขนาข้อหนึ่งซึงท่านผูดเอาไว้ในตำหลักตำลาว่าไปศิษา คือยสิทาสามอย่างได้แก่ศีลสมาธิปัญญาเป็นหน้าที่ของมนุษย์ผู้มุ่งดีบังดีสแสวงความสุขจะต้องรู้จะต้องศึกษาจะต้องพิจารณาจะต้องปฏิบัติปฏิบัติตามหากไม่พิจารณาหากไม่มีศีลโลกอันนี้วุ่นวาย ไมมีความสุขความสบายเพราะศีลเส้นเหลืองยังโลกให้เป็นสุขให้สบายที่วุ่นวายมีตำรวจทหารลบ้าสาวฟันกันก็เพราะพวกเหล่านั้นเพราะไม่รักษาศีลแต่ก็ ร, รักษาศีลกันทุกข์วนหน้าจะไปมาสถานที่ใดมีอะไรกลมกล่อมหิห่วงรักษาเพราะคนทุกคน มีศีลแต่จำตนแล้วอยู่ด้ยวยกันเป็นสุขสังคมนั้นไม่มีภัยอันตรายนี่หมายถึงศีลเป็นเดื้องต้ น, นที่คนจะมีความสุขความสบายเราอยู่ในวัดในวาในบ้านในช่องหากต่างท่านต่า ง, างคนมีศีลด้ยวยกันแล้วจะทำการงาน ด่างท้องโลกก็สะดวกสบายในห่วงแต่ริงนั้นจะเป็นอย่างนั้นสิ่งนี้จะเป็นอย่างนี้เพราะทราบดีว่าคนทุกคนมีศี่งในล่วงเกินในรักในทามวยในฝนขี่ถาดตีทำ ง, งานเศรษฐกิจท้องโลกก็จเจริญเ้าแน่ต่างวันไปทาําการทํางานกลับมาบ้าน ก่หลับนอนสะดวกสบายนี่ไม่เป็นอย่างนั้นกัางวันไปทํางานกลางคืนมารักษาของเมื่อเป็นอย่างนั้นนอนไม่เป็นสุกกําลังของกายก่อนที่จะลงไปจะทํางงานอย่างเต็มที่เต็มฐานก็ไม่ได้เพราะกายไม่มีกําลังถ้าทาง รับทานหรือพักผอนหลับนอนเต็มตามความปรารถนาั้งตัวแล้วนั่งก็ทำได้การงานถึงจะยากลำบากก็อพอสู้พออดพอทนต่อไป้ า, ากคนมีศีลด้วยการทุกทวนแน่มันสะดวกสบายอย่างนั้นไม่มีการรบลาข่าวันไม่มีการเหยียเดเบียนอิจฉากันหนีเชื่อศีล ที่พระผูดด้จ้าจ้างให้พวกเราศึกษาสีมเกิดจากตัวของเราคือเกิดจากกายจากวาจาใจเป็นผู้รักษาไม่ใช่คนอื่นจะมารักษาให้เมื่อมีสีนในตำหนิในการทำการพูดของตัวตัวของตัวก็ไม่เลยตำหนิตัวของตัวว่าชั่วว่าเสียเพราะการทำการพูด ในรอบครอบทำความเสียหายเดือวร้อนให้สัดให้บุคคลนั้นมันไม่มีในจิตในใจตัวตาทิใจมาแล้วมันก็สุขก็สบายปกติดีงามจิตที่จ ะ, จะเริยนสมาธิคือความตั้งมั่นของใจเกี่ยกวกับสมาธิมันก็เกิดมีกำลังขึ้น โดยมาสมาธิขทนปแปลเราความตั้งมั่นของใจแต่สมาธิที่ท่านพูดกันในด้านปฏิบัตินั้นกาหมายถึงความตั้งมั่นของใจและความรงรวมของใจใจของพวกเราท่านโดยส่วนใหญ่ถ้าหากไม่ฝึกหัดปฏิบัติทางธรรมะจะไม่มีโอกาสเวลา วงรวมได้ถึงตั้งมั่นทำจิตตามอะไรก็เอาใจใส่ก่อจริงตั้งมั่นได้แต่หากนม่งรวมให้ใจในรวงรวมไม่มีความสุขเพียงพอส่วนการฝึกหัดปฏิบัติทางศาสนาทางพระพุทธเจ้าทา่านแนะสอนนั้นหมายถึงแนะสอนกำหนดจิตใจ ให้ใสงบอะงี้ย ร, รวมรวมอุบายที่ทีสี่พระพุทธเจ้าทำมาท่านกำหนดลมหายใจเข้าออกนี่เป็นอุบายของท่านท่านถูกอันนี้แต่บางท่านบางคนถูกบริกรรมบทธรรมต่างๆั่าแก่จลีนิดย์ใสของใครชอบอะไรนำมากำหนด ที่นี้ที่เจน่เพื่อปลูกจิตรักษาใจในใส่คิดไปตามอารมณ์สัญญาต่างๆเมื่อเรารักษาตั้งหน่กำหนดสิ่งหนึ่งสิ่งใดเอาไว้จนใจรวมเป็นสมาธิจะเป็นชนิดะสงบระยะสั้นก็ตามจะเป็นอุปจาระสงบแล้วเ่ียวไฟรู้เห็น จริงเหมือนนั้นก่อดตาจะเป็นอั ป, ปนาสงบนิ่งนานๆในถอดถอนงน่อ่อดตากว่ า, าเป็นการปฏิบัติอัตธรรมที่พระพุทธเ จ, จ้าสอนคนที่สงบลงไป ส, ส, ส่ัน้นๆกวเห็นความอัศจรรย์ของใจพอเราเกิดมายังไม่เคยประสบพบเห็นความสงบอย่างนั้น ว่ามันมีความสุขความสบายอย่างไรในความสงบเราไม่เคยเห็นไม่เคยเป็นโดยส่วนใหญ่เพราะความไม่เคยเห็นเคยเป็นในสมาธิในอดในธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนําสั่งสอนคนทั่วไปจึงไม่สนใจว่าธรรมนั้นจะนําความสุขมาให้อย่างไรเลยเถิเทีนมั ว, มวเมาเฝ้าขวัญ ไปดูรีเจดูละครดูหนังทางเพลงไปเสียอันนั้นมันเพลิดเพลินมันสนุกสนานดีเสียเงินเสียทองเสียเสาเสียของเท่าอะไรก็เต็มใจไปเพราะมันให้ความเพลิดเพลินสนุกสนานแต่ด้านของสมาธิจิตคนเหล่านั้นไม่เคยผ่านเคยเห็นเคยเป็นในเขาเราเลยจะจิตทางนอกถือทางนอก ว่าเป็นของดีของดีสุยิ่งเส้นแสงหาแต่ภายในจิตใจนั้นไม่เคยเห็นความสุขความสบายอะไรจากการอบรมใจท่องตัวทำสมาธิภาวนาเพราจริงแสลงหาอย่างนั้นถ้าเขาเห็นเขาเป็นในการปฏิบัติฝึกหัดอบรมจิตเ่ยวกความสุข ความสงบความสว่างสวัยทองใจแล้วเขาจะไม่วิ่งวุ่นไปในสัญญาอารมณ์ภายนอกเพราะความสุขที่แท้จริงมันอยู่ในจิตในใจพอทำไปสงบเข้าเท่านั้นกว่าจะทราบดีว่าความสุขนี้เป็นสิ่งที่วิเศษไปเสกยิ่งกว่าความสุขทางโลกไม่มีความสุขอะไรในโลก ที่จะเทียบเท่าเทียมถึงความเป็นความเห็นความสุขภายในที่เราประสบอยู่ในปัจจุบันนี้ทราบดีไม่ต้องให้คนอื่นมาบอกเพราะเราได้ซ้ำผัดไปจากในจิตในใจของเราเมื่อเห็นเมื่อเป็นอย่างนั้นความคิดถือเคยฟุ่งเฟงอว่าอยากจะไปดูหนังฟังเพลงต่าง มันกว่าหายไปเพราะจริงเหล่านั้นทําหลงไหลท้องใจในใช่ความสุขที่แท้จริงแน่นอนอะไรคนไม่เห็นไม่เต็มอย่างนี้เพาจึงวิ่งวุ่นมัวเมาเฉอเชิงหลงไหลแต่เขาเห็นเขาเต็มอย่างนี้เชื่อมั่นว่าทุกท่านไปจะเต็มใจฝึกอบรมภาวนาทําความสงบสงบท้องจิต มันทราบดีเข้าใจดีเพราะตัวเป็นตัวเห็นตัวรู้นี่คือสมาธิกำรวมรวมของใจคนที่ยังไม่เคยเห็นเคยเป็นตัวทราบไม่ได้ว่ารสชาติของสมาธิภายในใจสงบมีความสุขอย่างไรถึงจะบอกขนาดไหนเพราะเขาไม่เคยเกี่ยวข้องไม่เคยจะทําไม่เคยเห็นไม่เคยเป็นไม่เขา ถึงทําก็ไม่เห็นไม่เจนแล้วเขาก็ไม่เชื่อเหมือนกันกับคนที่เคยรับทานจริงๆมันมีรสชาติอริดอร่อยเขาก็ไม่อย่ากเพราะเหตุใดเขาเขาไม่เคยรับทานแต่เขาเคยรับทานแล้วเขาทราบดีในบอกว่ามันอร่อยเขาก็ข้าบ มันอร่อยในตัวของเขามีพวกภาวอานาฝึกหัดปฏิบัติจิตใจกว่าทํานองเดียวกันเมืเ่อจนเช่นนั้นผู้ที่ฝึกหัดปฏิบัติอย่างจิตใจทานจึงเต็มใจที่จะพักจาอาศัยในที่ยิเวชที่ไม่เกี่ยวข้อง ผู้คนภายนอกไม่ได้ยุ่งกับการงานภายนอกมุ่งหน้ามุ่งา้าเดินยงโรมภาวนารักษาจิตถึงที่อยู่ที่อาศัยจะไม่ใหญ่โตวสวยงามกอต า, ามอาหารจะลำบากตุเตียงขนาดไหนกอต า, ามหากจิตใจของท่านจะเรียนเท้าน้าโดยการจะคิดปฏิบัติ ายในท่านอยู่ได้ท่านมีอาหารท้องใจท่านสุขท่านสบายไม่ได้อยู่แบบของโลกโลกเขาอยู่เดี๋ยวความหรูหรามีท่านม่นได้อยู่แบบนั้นเพราะใจท้องท่านมีความสุขความสบายความสงบพระพุทธเจ้าจ่ายจริงสรวเสริมตามด้วย ครูอาจารย์ที่ท่านมีอัจมีคำมาสอนโลกโดยส่วนใหญ่ของฉันเสนเเื่อมวิเวกอย่างวิบุญพวกเราชอบอย่างวิอย่างนี้เลยพวกเราไม่เคยชอบสถานที่ได้ส ง, งบส ง, งัดตั้งหน้าปฏิบัติสะดวกสบายเั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนเราไม่เคยชอบถือว่าขี่นั้นไม่สนุกสนานนี่คือเรื่องที่เหลือสมานค้องใจมันเป็นไปแบบนั้น ถ้าหคนมีอัดมีทำไม่เป็นแบบนั้นทำอยู่ของท่านองค์เดียวนั่นเนี่ยมันจเกี่ยวข้องเรื่องอื่นสนุกสบายพี่เจนาอะไรทวามคาเป็นจริงของมันอยู่อย่างนั้นสิ่งใดมาสัมผัสผ่านมาทางหูทางตาผ่านพี่เจนะให้เป็นอาจเป็นทำไปหมด ถึงท่านอยู่ในมีครูม่มีอาจารแต่เท่าใจของท่านเป็นธรรมที่จมาอะไรทั่วไปในโลกเป็นธรรมถุก ส, สงบสบายของท่านเมื่อได้รับสัมผัสจากสมาธิคือความวงรวมของใจสงบสงบของใจหยุดใจก็ตั้งมัน่นเชื่อมั่ น, นว่ามรรคผลนิพพาน ถึงแม่พระพุทธเจ้าจะบรินิพพานนานไปแต่งสองคันหาร้อยกว่าปีกว่าตามไม่มีอะไรที่จะเสียไปหมดไปตามการตามสมัยสมกับว่าทามเป็นอัสาริโกเพื่อไม่มีาลมีสมัยใครตั้งหน้าต่างตาเ พ, พื่อปฏิบัติรักษากำหนดที่เจนาจะต้องรู้เพราะทราบเห็นเ้นขึ้นจาก การการทำท้องตนเชื่อมั่นอย่างนั้นมี่คือสมาธิความตั้งมั่นของใจเมื่อเห็นความตั้งมั่นของใจความถุของใจความสบายของใจมันก็มีศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสมีความเพียรอยากจะปฏิบัติจิตใจของตัวให้รู้ทั่วให้สงบ ตลอดระยะเวลาเพราะหยิตลงรวมนั้นมันเป็นตามเป็นสมัยไม่ใช่ว่ามันเป็นอยู่ตลอดไปไม่เหมือนปัญญาที่ละข่าจากที่ยิตรวมนั้นเป็นตามเป็นเวลาพอทําถูกฟ้องถูกส่วนมันมันก็รวมลงไปลางงับ ดับสัญญาอารมณ์ทั่วไปให้ขาดจากจิตจากใจของตัวใจนิ่งแน่อยู่อันเดียวไม่เกี่ยวเกาะับอารมณ์สัญญาภายนอกนี่คือสมาธิคือความรวมรวมของใจเมื่อถอดถอนขึ้นมามันกวจะต้องมีอารมณ์สัญญามาเกี่ยวข้องเหมือนมาเกี่ยวข้องทาหาจิต ติดสุขในสมาธิกว่าที่ว่าการยุ่งเกี่ยวกับเรื่องต่างๆภายนอกนั้นมันไม่มีความสุขความสบายควรีบทำจิตทำใจให้ส ง, งบรวมลงไปอีกเลยในเกิดปัญญาละที่เดืยดได้มีแต่อาศัยความหวมของใจอยู่อย่างนั้นเหมือนจังกับหินทับแยกพอยกหินออกเมืออะไรยามันก็งอกขึนมา นี่ท่านว่าสมาธิข่มขีนิวร์ทั้งห้าหลายที่เรียกได้แบบเขารวมไม่เกิดถอดถอนออกมาแล้วละไม่ได้จะต้องเกิดราคะตันหาเกิดคํามปุงคิดจิดข้องในอารมณ์ทั้งอย่างแต่เทว่าสมาธินั้นเมื่อมันเป็นไป น, น, นานๆเข้าเรารวมลง ขอดถอนกลิ่นมาเมื่อมีอารมณ์ท่านยมายุ่งเกี่ยวจิตใจยังมีการหมันไหลยังมีการ <c oughs> เ, เอียงไปตามเรื่องของอารมณ์ น, นั้นนั้นมันจะเกิดปัญญาพิจรารณาวินิจฉัยเอ้วทำไมจิตใจมันจึงเป็นอย่างนี้มีต้นเหตุที่จะเกิดอย่างนี้ปัจจุมาจะต้องวินิจฉัยเรณา เรื่องต่งางๆเข้าวตามความจริงๆของมันปัญญาฝาดฟันเรื่องกิเลสให้ตกขาดออกจากใจแต่อาศัยสรรมาธิหนุนให้ไม่ใช่ว่านึกเอาดาวเอาใจของเราไม่เคยรวมรวมไม่เป็นสมาธิแล้วจะละกิเลสปัญห า, าขาดจากจิตใจนั้นเป็นไปไหนไดน้ถึงจะคิดไปเป็นไปขนาดไหนก็เป็นสัญญา ไม่สามารถที่จะวาดสรรค์เฉลยปัญหาให้แหลกละเอียดแับไปได้ดังนั้นสมาธิจึ่งเป็นเรื่องสําคัญอันหนึ่งซึ่งพวกเราท่านนักปฏิบัติจะต้องพิมพิธเจณาศึกษาต่างหน้าต่างตาอบรมให้เห็นให้เห็นในจิตในใจพอมีสมาธิแล้วอย่างปัญญาคอยคิดพิมพิธเจนาไป จิตใจที่มันกำเริบเถื่ันสาจิตใจที่มันคองจิตยึดปูงนั้นมันเรื่องอะไรกันแนะ่มันจิดจิตคล่องยึดถือยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นเพราะเหี้ยบใดเราจะต้องพิจารณาหาสาเหตุสมุดฐานของมันทำไมมันถึ่งเป็นอย่างนั้นสิ่งเหล่านั้น มันมีคำาหมายไหมหรือใจของเราไปยุ่งเกี่ยวจึงเกิดความหมายขึ้นจะต่องที่นี้ที่เจนะเช่นราคาความกำหนัดของใจโดยส่วนใหญ่สัตว์ที่เกิดมาในโลกอันนี้ไม่ว่าสัตว์เลี้ยงสาตหรือสัตว์มนุษย์มันก็มีประจําทุกทวนหน้าอย่างราคะตัณหาความอยากความยินดี มันมีด้วยกันมันจริงเลยมาเกิดถ้าหากมันหมดสิ่งเหล่านี้มันก็ไม่มีมาเกิดอีกอันนี้เป็นเชื่อสําคัญที่จะให้พวกเราท่านก่อพบก่อชาตเมื่อเรามีสมาธิเราพิจารณาตามความจริงในสิ่งต่างๆนั้นมันจะเข้าใจโดยเด่นชัดไม่มีอะไรปิดบางอำพราง จิตใจที่ไปยึดมัน่นสาคัญหมายว่าหญิงหลาชายว่าสวยว่างามนั้นมันอะไรกันแน่รูปที่เราเห็นว่าดีว่าเด่นว่าสวยว่างามนั้นมันมีอะไรอยู่ในนั้นทีนี้ที่เจมาแยกแยะจริ่งนั้นนั้นหอส่วนนั้นนั้นออกจากกันเช่นถลกหนังออกมันจะเป็นอย่างไรมนุษย์เราหน้าเหลื่อมใส หน้าสูบหน้ากอดหน้าตำหนับยินดีไหมมันจะต้องพิจารณาไปเมื่อเราเห็นในจิตในใจว่าสิ่งที่เราไปยินดีชอบใจเธอเทลินจิตข้องนั้นมันเป็นของหมูดกองผูดของโสดโปกโสมอมของเ น, มมน่าของเหม็นของปฏิกูล ในใ่ของดีของดีสืดในกายของมนุษย์เต็มไปด้วยอสุภะคือความไม่สวยไม่งามไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายนี่จะขี้เต็มตัวเดี๋ยวเราเป็นมแมลงวนันเป็นหนอนหรือกิองไปชอบอย่างนั้นถ้าหากเราไม่เป็นมแมลงวนันเป็นหนอนเป็นคนที่มีสติปัญญาทําไม ใจจึงไปปรารถนาไปแค่มันจะต้องเกิดปัญญาส่นภายในที่เจนาตามเป็นจริงเขง